คนมีของกุศลมีมากเราได้คนเลวมีศรัทธาดีเราได้มากบาง เราสอนเค้าไม่ได้เราก็ไม่ไปสอนเค้าแล้วก็ทําตัวของเราก็ดีถ้าอยากทํา เราทราบว่าตัวเค้ามี 2 ข้างข้างหน้าตกกับปลุกข้างหลัง เราเชื่อพุ่มพมเชื่อเชื่อสนิทถึงมันมีเชื่อซะนี่เชื่อแบบมันคนนี้ไปอยู่นู่นไปสู้ก็ มันก็จะดีกันหมดนะมองในอย่างสารัมเนี่ยมันมีกี่สารัมมีครูบาติที่อยู่หลายคนละที่ละที่มัน เราตาจิตตะกายใช่มะตาจิตตะกายหาข้างนอกบังคับข้างนอกญาณฐานข้างนอกซึ่งพวกก็ก็ไม่ไม่ผิดดีกว่าอ่า เช่นถ้าเราเรื่องว่ากองขยะเราไม่เออมันก็กลายเป็น เวลาเกิดไม่ใช่เกิดโดยลําดับตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไม่ใช่ ในช่วงกาลบางกาลในช่วงจังหวะชีวิตบางชีวิตบางคนไหมเห็นไม่ดี กุศลโสตะเอ่อกุศลจากสุวิญญาณเกิดมาคือได้อย่างเสียอย่างก็ ในที่ 1 เค้าก็ชมบอกแหมสามีเนี่ยอดทนมากเนี่ยแล้วก็โปรฟานครั้งแล้วเพราะว่าภรรยาปากจัดแล้วก็ เป็นกุศลหรือบาปเป็นกุศลหรือบาปสาบุกทางไหนทางตาก็ด้วยใช่มะไม่ พ่อฝ่าโมเอ้อก็แปลกดีฝ่ายภรรยานั้นไม่สู้มีการศึกษาสามีมีการศึกษาตัวครูบาจาทั้ง 2 ทั้งก็มาอยู่ในภาวะอย่างนี้กรรมก็ไม่ทําอะไรไว้ก็คงจะไปทําแบบนี้ไว้ทํากับเขาคือภรรยาไว้ก็ดีหรือทํา ตกไปแล้วเดี๋ยวจะว้าเหวก็ต้องอยู่อย่างนี้เนี่ยบางทีเค้ามีเลยนะครับก็รู้สึกเหมือนจะชอบอ่ะอยากแท้ๆเลยนะผม แล้วพอพุทธกลับหลังเค้าทําลายเค้าตัวสุก็ต้องไปอยู่อย่างนั้นคนมีกรรมมีกรรมจริงๆก็เลยต้องวางอุเบกขานิ่งๆจริง อยู่ได้แค่เดือนได้แค่เดือนอยู่นี่ก็อยู่ๆหายๆนะคือโลลมไม่เรื่องอ่ะทรัพย์ามาดี หมดกรรมเมื่อไหร่ก็คงจะมาหาเราเองนี่อยู่ว่าบางเออแล้วก็วงศ์เค้ายังอยู่ใน มาดูสัมปฤติชันนะทวิปัญจวิญญาณพูดแล้วเราเห็นชัดเราเข้าใจชัดหน่อยนะถึงจะลึกแต่โลกเปิดโลกทัศน์ไอ้ลา จักสุวิญญาณถึงกายวิญญาณที่เป็นกุปนิบาตกุปนิบาตรวมกัน 10 เห็นเห็นรูป คนรู้ไว้ทําถึงจะไม่ดีคนรู้ไว้ไม่ถึงจะดี คือไม่ได้อยู่ที่การบัญญัติเหลียวนั้นเฉพาะรู้รับรู้สิ่งที่ได้ดูนั้นเอาดูนั้นรู้แม้แต่หลังจากนั้น <c oughs> เห็นเป็นว่าดีก็ได้เป็นว่าดีก็ได้สีดีนั้นเห็นเป็นว่าไม่ดีก็ความเข้าใจคนเห็นรูปที่ไม่ดีมันสักแต่ว่า ต่อสรรคงามมันมีแต่คือค่าของอารมณ์ที่เห็นถ้าเห็นไม่ดีมันก็มีค่าไม่ดีจะศักหรือไม่ศักมันก็ พระพุทธเจ้ากล้าหลามทั้งหลายเห็นลูกและสามารถกําหนดได้ เมื่อเคยคิดเลยท่านทูลท่านก็สักแต่ว่ารู้เทวทัตกึ่งหินลงมาเกิด แต่วิบากกรรมที่เป็นอกุศลในดอกให้แล้วไม่เป็น เนี่ยแม้เกิดกิเลสของเราเนี่ยมันก็สักมาสักมากก็เกิดกิเลสน้อยสักน้อยก็กิเลสบางไม่สักเลยในกิเลสท่วมเลยถ้ามันเราสักบ้างสักเปล่าเราก็สักได้บาปมากบ้างน้อยบ้างอย่างเราเนี่ยก็คือว่าที่เรารับอิทานลมประสบอะไรแล้วเนี่ย ก็ไม่เหลิงพิจารณาก็ยังได้บ้างอ่าวิจนาบ้างไม่มีวิจนาบ้างบางก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเรากินข้าวอิ่มก็สักบางคําก็ไม่สักบางคําก็เรียกมันก็เกิดไอ้ไอ้การบ้างไม่ จำว่าตัวนี้นั้นทําว่าเอ่อจักนั้นจึงมีแต่ทางปฏิบัติต้องว่าอีกชั้นจะพูดนี้ให้ใหญ่กระจ่างกันใน หลังจากอวิปัญจวิญญาณเกิดแล้วดับลงสัมปติชชนะที่แปลตามกลับว่ารับ จากผู้วิญญาณเป็นต้นเห็นมาแล้วก็นํามาเหมือนมาถ่ายต่อ ก็จึงเกิดขึ้นเพียงแต่รับช่วงให้ได้มีกาลางมีเวลา <c oughs> แล้วการพิจารณาอารมณ์อย่างละเอียดที่สุดนะจนอนุภาคเล็กที่สุดทั้งการพิจารณาการวินิจฉัยตัวนี้ครับ อย่างญาณที่ 4 เนี่ยเป็นวิญญาณวิญญาณนามรูปเห็นแพงลิยเข้าไปแล้วก็ขั้นมรรคมีญาณวิญญาณอยู่ในนั้นซึ่งเป็นวิญญาณญาณที่สมบูรณ์ฌานะ ควรจะปรุงใจยังไงในอารมณ์นั้นโอนนะเพราะฉะนั้นคําว่าพินิจตรงนี้ คือสรุปเอาแล้วแม้ไงต่อไปนี่เรื่องของพิจารณาในความหมายของความเป็นสันติรณจิตอ่าสมบัติฉันนะกับสันติรณนั้นโกรธขึ้นด้วยในชั้นแรกๆอาจจะยังไม่กระจ่างชั้นต่อ <c oughs> <c oughs> ก็มีจะไปบอกไว้ในเบื้องต้นก่อนว่าที่อกุศลจักสู่วิญญาณเห็นมาแล้วส่งต่อมาตัว จำเดี่ยวกันถ้าเกิดอารมณ์ที่ดีก็รับอะรับด้วยสัมปชิตที่ทัศนะที่เป็นกุศลคือหาพิจารณาด้วยสันตุรา หมวดไว้ในซือเหลี่ยมว่ามูลเกิดได้ครั้งละดวงอวิญญู 10 ก็เกิดได้ครั้งละ 1 แล้วก็รับอารมณ์ได้ครั้งละอารมณ์หมายแปลว่ารูปอารมณ์ด้วยกับอารมณ์อันตารมณ์รูปละสารมณ์รูปอุปาทารมณ์แล้วก็เป็นวิบากชาติ จักสุวิญญาณเป็นกุศลนิบาตและมติจนะสันเญนาต้องเป็นอยู่ในบาปด้วยกันถ้าจักสุวิญญาณเป็นอกุศลนิบาตมติจนะสันเญนาเป็นกุศลนิบาต แต่ถ้าว่าเห็นของร้อนก็รับของร้อนพิจารณาว่าจะจะทํายังไงกับของนี่ก็เป็นหลักอ่าบน ขอบัญญัติอนาธิฌานและวุฒธาปะนะก็วุฒธาปะนะนั้นเรานั้นว่าควรจะ อัตโนมิตรก็เป็นจุดเปลี่ยนแปลงได้ครับตรงนี้นะเพราะว่าไอ้เรื่อง ก็อธิบายว่าอารมณ์ที่ไม่ดีบางอย่างที่เราควรจะเกิดดีก็อาจจะเกิด ก็โทรนได้ได้จูนรุ่นที่ปลักกัลปตได้ตัวนี้ถ้าจะถามว่าทําไม อันนี้ขอให้รู้ว่าความดีกับความชั่วความดีเข้ามาเบือนเบือนจะเอาเข้าช่องตรงนั้นช่องไหนที่เป็น มันไม่สามารถจะเข้าช่องจงปัญจาทวารวจนะได้ทวิได้สัมปติชนะไม่สันโดณไม่ได้เลยเปลี่ยนไม่แล้วแต่พอมาถือวโวธรรมะซึ่งเป็นว่ามันมีอํานาจอะไร อํานาจการสั่งสมเก่าๆนี่จึงมาบิดเบือนอะไรไม่ได้แต่พอมาถึงวงมัน <c oughs> จะนิธิถ้าเห็นรูปที่ไม่นะอบรมขันติมีหลาย พอแล้วบักท่ากรรมอารมณ์โหนนั้นเค้าก็มันก็โกรธที่สมิบัติถ้าไม่อารมณ์ดีน่ะจะบอกคนเราเราไปเห็นสัตว์นี้สวยดีน่ารักดีสมมุติเข้าป่าไอ้คิดอย่างมันก็อยากจะฆ่าอยากแล้วแต่ อย่างนี้เป็นต้นรุ่นต้นมันก็รับมาตามเนื้อผ้าวดีดีๆๆพอมาถึงตรงนี้เข้าคนที่เป็น <c oughs> <c oughs> ก่อเกิดความวิสัยาณตอนนี้ตามที่ตัวได้สั่งสมบังสมนิสัยนั้นมาก็ดีสั่งสมพัฒนกติ ว่าคือเข้าได้ดีก็ดีแล้วมันมีโยมนะประมาณมีลูกมันเนี่ยจะกับความคิดที่เราพยายามสร้างความ ไปเห็นเค้าดีเค้าโง่เค้าไม่เข้าใจมันก็โกรธเพราะเค้ามีฉาติไม่มีวันนี้โกรธเค้าเหมือนแต่ค้างพอไปเจอคนที่เค้าดีกว่าแน่แล้วนะ เออบางทีเราก็มองว่ามีคนดีคนนี้น่ะดีอย่างนี้ยังยังอุตส่าห์มีคนไปตั้งข้อลังเกียรติก็ยังอย่าให้ใครเข้าลงมาอยู่เนี่ยอย่าไปทําหนีเข้าลงเลยยังไม่ยอมนะ หมูจิทำงานเรื่องอะไรก็เหมือนกันมันก็คือคือความขัดทูงนั้นขึ้นทั้งแหล่งนี้ คือเราสร้างตัวบัวลัยเนี่ยนี่แหละครับคือตัวที่ถือ Chilet <cười> may may Tộc nam hay là ai Tộc Chilet may may Nhi a Tộc tait dù May fay na lỗ Có dài Khi Cứ... Menn mê cười na lỗ con mảy Mùi tần đoàn con kia mận Na lỗ mấy tên na lỗ thang ta thang hú thang chèm bụng nhi a Tộc tait dù nai hì nhau năn Có kia kia mê fù à... Phay na lỗ Thang ta thang hú แล้วนอกจากใหม่ๆมันจะเป็นดีที่ว่าพระอริยเจ้าที่บงเคยยกด้วยความ มันมีการมีแล้วได้ประโยชน์ทั้งคู่เลยตัวไอ้โลกมโนรามันภาพจําลองภาพจําลองภูมิเหล่านี้เอ่มาอยู่ในนี้ตั้งแต่ภูมิมโนโลกก็มีใช่มั้ยวันดีคืนดีก็ไปมัก โลกของพ่อของแม่ตัวเองค่าข้อค่าแม่ตัวดีดีดียังไงเหมือนดีโกมนั่นขี้เหมือนไผก็แล้วนอกอย่างคนยากคน เออผมก็มองในแง่เสียสลักมากนะคนโกงบางคนเนี่ยไม่ใช่ตลาดจริงๆหรอกมันคือเราเลือกที่เหมือนคนอ่า <c oughs> คุ้มบอนคุ้มช่องแล้วก็ไปชื่อแกเอาพวกเอาพ้องไปที่อื่นเออก็ดีเค้าเสือ แล้วโดนอย่างไรล่ะทําใจนางวาอย่างไม่ใช่ว่าเค้าด่าเราเราตัดก็ได้ยินเออดีแล้วพอเราก็จะได้ด่านะก่อนเค้าตัดก็ได้ยินเนาะสามีจะด่าประญาวันนี้เธอสักโดนอีนะฉันจะด่าอะไรให้โกรธแล้วกูสั่งไว้แล้วว่าเวลา มันก็คือการทําใจในเรื่องการปฏิบัติแสดงออกกับคนอื่นคือทํากับตัวเองอย่างเป็นช่องสําคัญที่ มาตลอดตามหลักการว่าเราไปฆ่าเขาตายคนนึงเนี่ยเราได้อะไรมา 1 เราได้กรรม 2 เราได้อะไรอีก ขายอย่างอะไรก็ตามเป็นบุญก็ตามชั่ว ถ้าแม่ตายมันก็มี 2 พ่อกับแม่แล้วก็ 2 คนมันจะไปทั่วฆ่าชาตินึงเลยบอกหมอไม่พอ 10 คนให้ไปคนจริงๆแล้วคนก็หมดแล้วก็ไม่กรรมมากรู้ว่าได้กรรมมากได้ ตัวนี้สายมันไม่ได้ทําได้ไม่คุ้มกันสมมุติเกิดชาติต่อไปคงเห็นหน้าพระลืมเลย เพ้อเอานิสัยไอ้นิสัยมันจะปิดผลทีหลังเองไม่ใช่ยากก็แล้วไม่เอาไม่รู้ฟังแล้วเกิดทําไมคนพูดนึงพูดได้พูดดีที่ไม่รู้เคยเคยความรู้ก็เนาะนิสัยเลยฟังกัน เมื่อเราได้ 2 อย่างเนี่ยเพราะเวลามารับอารมณ์แต่ 2 อย่างนี้โผล่มาอะไรมาก่อนน่ะกรรมเป็นหูลือมาก่อนครับวิบาก มันคู่ยังไงนี่พูดถึงไม่ชวนเหตุนะถามว่าทําไมว่าอันไหนว่าเค้าวิบากก็ ฟังหมดหลังนี้ได้โหก็ไม่มีเงินน่ะนะนี่เราวิบากให้พอแต่วันนี้สายมันถึง ใช่รู้สึกหนีบเดียวเราเอาละแต่ว่าแล้วรู้สึกก็ต้องลองลองมากๆแต่ว่าก็รู้อะไรวิบาก แต่บางคนมีบากรองรับนิสัยมันก็มันก็หมดแต่บางคนมีนิสัยแล้วไม่ เงินเข้าใส่บาปให้เราใส่ไม่ได้นี่คือไม่มี หักเราเนี่ยถึงผมให้ข้อหมายเกริ่นๆขอให้เอานิสัยว่าจะทําเมื่อๆอันเนี้ย เราจะเป็นคนที่เรียกว่าเกิดมาแล้วถ้ารักษาศีล มีได้ 2 อย่างมาด้วยกันไอ้เที่ยวไอ้นิสัยก็จะมาอุปการะไม่ปลื้ <หน iez S 1> หรือมีสายดีกว่าเขามาชวนอ่าไอ้ฉลาด 2 อย่างมันอุปถัมภ์กันต้องพยายามแล้วก็ยิ่งมารเข้าเนี่ยเราใจยิ่งปลดลော့ต่อไป โมเมนต์ฉันหาอุปสรรคในชีวิตไม่มีอะไรที่เป็นอยอย 2 อย่างนี้เลยแกนคิดที่เกิดมาแล้ววิบาก <ม. S 1> มันก็จะทำลายแค่ไหนโดนไหนอยู่ในอัตราส่วนของแต่ละคนแล้วกลับมาทำลายตัวเองภายหลังนี่คือของจริงที่เรา เพราะฉะนั้นอาบุราก็จะตัวน้องเอไปไปทําให้เป็นนิสัยไว้พาลูกพาหลานให้ฟังด้วยฟังตามก็รู้ไม่รู้ก็ชังไปทําอวฐานก็ ทางพระศาสดาวิธรรมได้เรามาเข้าใจทั้งเรื่องนะไม่เข้าใจเลยแต่ได้มีหรือบาง ทำไมเรากลองแล้วแต่ว่านิสัยกับวุบาบนั้นมัน เมื่อไหว้ชาวกรองก็แล้วแต่เอ่อการหักเหดูประการๆชวนะก็เกิดครับชวนะนั้นตามศัพท์ในแปลว่าแล่นและ แล้วพอโรลแลนซ์ลดออกเนี่ยตราบแสดงอัตราความเร็วมันจะกดลดอยู่ มันเหมือนไม่ออกมันไม่แล่นก็ว่าไม่แล่นแล่นถึงไหมถึงเร็วนั้นเวลาที่เอ่อทางการศึกษาใช้คําปัญญา คำเหล่าว่าชาวนะปัญญามีพูดมากมายในบท เล่นไปในไปในอารมณ์ลั่นไปในอารมณ์แบบที่ว่าลั่น อันนี้เกิดอันนี้หยุดเป็นขณะขณะเมื่อเป็นการเคลื่อนที่ไป หรือจะพูดเป็น 2 ด้านมีเลยครับว่าล้มไปในอารมณ์ก็ได้ล้มไปโดยความเป็นบุถะบาป 2 ก็แล่นไปในรูปที่ไม่ดีนั้นจนกระทั่งถึง เป็นโทษะเรื่องที่เปอยอย 2 อย่างเดียวกันแล่ดูความเป็นโทษะด้วยวงเดียวกันอันเดียวกันอย่างเดียวกันอารมณ์ก็อย่าง ถ้าเป็นบินก็ไม่ดีมากบุญก็ไม่ดีมากแต่อย่างก็ดีมากต่างความต่อเนื่องที่บุญทั้งโยมมี บางคนมันไปหยุดพั่วเลยเราควรเราแนะนําคนเนี่ยเราถึงต้องนึกถึงความเด่นได้ของคน เขาถามเนี่ยเราจะไปบอกว่าคุณเลือนมากยังผมไม่ให้กําไรถึงอีก 4 เท่าอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่เอาคุณตายแล้วคุณต้องลงนรกไปในบูธได้เกิดอย่างไม่เอาเลยฮะเราพูดมันไม่ได้ ที่คนจะรักได้แค่ไหนนั่นคือสิ่งที่ นึกว่าจะไปหาเป็นเข้าใจว่าเป็นโลกาหน้าห้องแล้วกรรมการก็สามารถถ้าหมอนี่โทรมาอ่ะแต่บอกว่าไม่เนี่ยจําเป็นต้องพูด ก็ฝืนตัดสินใจนะไอ้ผู้ถูกใจนายก็ผิดสีดีอ่ะจะให้ทํายังไงงั้นน่ะถ้ากรณีนี้เราต้องมองทั้งระบบแล้วก็มองตัวคนที่เป็นปัญหาคือ 1 ไอ้นี่เล่าคงอย่า ตัวเหล่านี้สําคัญที่สุดครับซึ่งบอที่นายชูนายนั่นเองไปทํา แล้วก็เบื่อเชิญแล้วก็มาขออยู่ว่าเราดูซินะมันจะเข้ามามีบทบาทนิดนึงเรา เรเรเรเรากําลังมาทํางานอยู่คนเลวเป็นห่าไปเชยอาศาจประโยคของคนเลวสมมุติใน เรากล้ามั้ยทําบุญนี้ไม่กล้าผมไม่กล้าไม่กล้าตลอดชีวิตไม่กล้าจะบอกบางช่วงบางโอกาสนะถ้าเรากล้าไม่ได้เลยครับบอกว่าเราต้อง แล้วก็สั่งเล่าให้เป็นครึ่งมือวิธีการก็โกหกด้วย อย่างอื่นนะอื่นนะแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกจะขอธรรมปฏิบัติเสวยนะรู้ธรรม แต่ถ้าบอกถ้าหาว่าจะคิดทําตลอดชีวิตน่ะก็ก็ต้องกลัวกันมากหน่อยแต่อย่างน้อยคนมาถามๆเนี่ย <tôi> กับคุณโขนผมลองดูแล้วห้อยก็บอกว่าคุณไม่คุณก็จะต้องได้ หลวงนายมีงานมากไม่มีเวลาที่จะมาสุดลุ้นนี้จะให้ได้เออมีเยอะอย่างนี้ดีที่ที่จะทําให้มันเกิดความเหมาะสมกับรัชกาลแก่นี้นี่กําลังพิจารณานี่อ่ะจารย์มัน แร้ว العمليه บรอดใช้กระดาษแข็งน้ําเหลืองตั้งไว้หน้าร้านไอ้รับไก่ภาษาน่าลําบากเวลาลูกค้ามาตับผลมันหันค่าข้างเครื่องเสียมาเออช้า ก็หมูขี้เปียกมานั่งเฝ้านั่งบอกว่าแล้วจะเข้าไม่ว่าอะไรแล้วคนเนี่ย แต่ยกตัวหมายที่นี่เลยมีห้องมาขอใช้ห้องหลายคนจะเขียนไว้เป็นคําโคกแล้วหน่อยก็ดีว่า ชาติสุปาทหัจจ์ 18 ที่มาเกิดล่าละหานเนี่ยเกิดเป็นเนี่ยเกิดตรงนี้ lighting อ่าว่าปรุงชวนะเนี่ยโดยเพราะหาสิตุปาทะมีความแตกต่างคือปัญจฆวาราวจนะ เนี่ยอาหระจิตที่เกิดต่างขณะต่างขณะกันคือคนละเช่นปัญจทวารวรณะเอ่อเป็นขณะ อรูปสัญญานที่รู้โดยอาการก็มีขนาดหนึ่งที่รู้โดยอาการอันกับปัญจทวารอะไร คือรู้ว่าดันอารมณ์รูปลูบมาก็ว่าผ้าปัญจทวารเอาวารณะเอารู้นี่ไม่ทําให้ปืนจักขุวิญญาณก็ต้องรู้รูป ต่างขนากันก็จริงขนาดกันก็จริงต่างอาการรู้กันก็จริงแต่ไม่ต่างอารมณ์กันรู้ว่าลมเดียวกันพูดจากนั้น เดินทางได้เท่านั้นครับครับที่ตุกข้าดูทางหน้าที่โยมนะนะตรงนี้ครับ เป็นอย่างอย่างต่างกันอารมณ์ไม่กลางแต่อาการรู้ มาต่างกันก็จริงบุญที่ 1 รู้ 2 คนขณะกันในพระที่ 5 7 ต่างขณะกันอาโลไม่ต่างไม่ต่างกันทั้งเจตนา ตามกันแค่ขนาดเท่านั้นแต่ไม่พลังคือหมายความว่าเพราะความ ท่านมีจิตท่านบุญที่ต่อเนื่องก็มีพลังต่อเนื่องในวิถีเดียวกันจิตใดเกิด